การบทนาสาาุการณ์ในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องของชาดกอีกเช่นเคยชาดกที่จะกล่าวนั้นชื่ออำพาชาดกที่จริงก็แปลว่มามะม่วงแต่นั่นเองแต่ก็เป็นต้นเหตุที่ให้เกิด การปฏิบัติในทางชอบละไม่ชอบขึ้นเพราะเรื่องของมะมโมกคือเมื่อพระเทวทัตได้ถูกธรณีสู่ไปพระสงฆ์ก็ได้มาประรบถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตโดยลำดับคือเริ่มต้นตักจากท่านเปล่งวาจาว่า เราตัดขาดจากปะสมนักโคโดมปะสมนักโคโดมไม่เป็นศาสดาไม่เป็นอุปชาไม่เป็นอาจารย์ของเราพูดประโยคนี้เท่านั้นเองชาญท่านก็เสือมก็สรุปเรื่องประเทวทักหน่อย น, นะฮะว่าประเ ท, ทัสโดยสถา น, านแล้วที่จริงก็เป็นพระญาติ เป็นลูกผู้พี่ของพระพุทธเจ้าทนับทางสายาสายแมนะ่ทนับทางสายพ่อแต่ก็าเป็นลูกผู้น้องทนับทางสายแมนะ่แล้วก็เป็นประเชษฐาของพระนางพิมพาซึ่งเป็นชายาของเจ้าชายจิตตถาตอนบวชที่จริงทั้งกสัทธา ินขนาดบวชอุทิตพระพุทธเจ้าเราก็ตามเสด็จเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากกระบิลพัทถึงอนุปยะอัมพวันในแคว้นมัลละมันก็ไกลนะคท่านลองนึกดูว่าท่านเดินจา ก, กลุมพินีแต่ใก ล, กล้ลุมพินีนะแล้วก็ไปถึงกุศินารามันก็ไกล ตลอสมัยนั้นหลังจากบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรบรรลุฌานที่มีอภิญยาคือพวกฌานเนี่ยก็คือพวกสงบนิวรณ์พอสงบนิวรณ์ได้แต่ไม่ได้หมายความหมดนิวรณ์เปลี่ยนแต่สงบไปได้ืาดาตายท่านอุสานั่งสมาธิไว้เข้าสมาธิไว้อยู่เรื่อยๆ ไม่ไปเจออารมณ์กระแทกแรงๆนัานก็อยู่ได้ไดเรียบร้อยกี่ปีก็ได้นะอยู่เผลอๆจะนึกนก็เป็นพระระหันไปแล้วก็ได้โดยท่านนีค่อนข้างเก่งว่าบวชไม่กี่วันมาเป็นเพียรได้ฤทธิ์ท่านก็ดูสภาพจิต ด, ด้วยนะฮะเรามามองในแง่สภาพจิต พระชาติเนี่ยมันไปนกดนิวรณ์คือกดกิเลสไว้แค่ก็ดั่งสมาธิสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสแต่ว่าในขณะนั้นกิเลสมันสงบแค่นั้นเนองพระเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จไปที่เมืองไฝ่สาลีมีชาวบ้านมาต้อนรับเยอะเลยแล้วก็ถามหาประติระ ที่ตามเสด็จประสาทิบุตรมาไม้พระพุทกาณนทมาไม้ปัญญาโกนตันดาพระพุทถามหมดทุกองโดยเฉพาะพวกที่บวชพร้อมๆกันแม้พระอุบาลีซึ่งอดีตเป็นนายช่างการปกแล้วก็มีคนสอบถามไม่มีใครถามถึงพระเทวทัศน์ออกมาหรือไม่ถามให้ท่านเกิดริสยาดเจนว่าริสยานั้นก็คืออาการของกิเลส เป็นโลภะกับโทสะก็เจอกันหมายความว่าโลภะคืออยากได้ให้เขาถามข่าวก็เกิดโทสะที่เขาไม่ถามข่าวมันก็กลายเป็นริษยาในคนที่เขาถามในคนที่เขาถามเราก็อยากได้ด้วยแล้วก็ไม่ชอบด้วยอย่างนี้ก็ยบอกว่ากิเลสที่พระเจ้าสรุปเป็นโรคปวดหลงเนี่ยเพราะมันมันก็แตกมาอย่างงี้นะมันก็แตกมา มันก็สืบเนื่องมาจากโลภะโทสะโมหะแต่บางทีท่านก็แยกนะฮะอย่างที่แยกแล้วก็เจอแยกอย่างในสังโยชน์หนก็แยกเป็นสิบเป็นสิบหกเป็นอะไรก็แยกได้แต่เวลาจับมาเกาะ ก, กลุ่มได้มันก็เกาะ ก, กลุ่มได้คล้ายๆกับธรรมะปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยท่านแยกไปเยอะๆมาเราจับมาเกาะ ก, กลุ่มเป็นศีลสมาธิปัญญาได้นะครับเกาะกลุ่มเป็นอรมิมักเวียงแปดได้กิเลสแยกไปะยะก็กลับมาเป็นโลกโกรธลงได้ ความทุกสารพัดเนี่ยฮะแยกแล้วมาจากเกิดมันสืบเนื่องมาจากเกิดแต่นั้นเองคือถ้าไม่เกิดอะไรทุกนั้นมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีคือพูดรวมก็ได้พูดสรุปก็ได้จากนั้นมาท่านก็เกิดคิดคิดผิดนะฮะเกิดเราจะเห็นว่าคนริษยาเนี่ยมันทํนาโรคอะพินาตเราก็จะเริ่มคิดผิดแล้แล้วก็เหมือน ผู้ศึกสงครามทั้งหลายที่เกิดขึ้ น, นในสามกีเพ่กำฉันในทางเคยานนะคือพระเจ้าชาติสูท่านไปเกิดคิดผิดว่าความมั่งคั่งร่ารวยของราชวงศ์ลิชวีในเมืองไพศาลีเนี่ยมันไปแข่งกับท่านะจริงๆก็ไม่ได้แข่งนะฮะมาคว่ามมาราชวงศ์ก็สร้างกันมานา น, นก็สะสมทรัพย์สมบัติมานานหลายส่วคนบ้านเมืองก็ขยายออกประชากรก็เพิ่มขึ้น ก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมากๆบ้านเมืองก็จเจริญแล้ตัวเองก็อยากจ ะ, จะรวยรัดก็เลยยกยกกองทัพไปปล้นเมืองก็เลยเห็นไหมที่จริงว่าเกิดจากลิษยาเกิดมาจากลิษยาในความจเจริญมั่งคั่งของเมืองนั้นแล้วก็อยากจะเป็นด้วยแต่ว่าเขาขี้เกียจทําำเลยไปแย่งกันเลย ทีนี้ความคิดแนเนียบางทีเนี่ยเราไปเห็นแต่เราก็เออเขาก็ดีนะเขาทย่ทากนี้ก็ให้เราไปดูงานใ น, ใ น, ใ น, ในต่างประเทศแล้วก็เห็นสิ่งดีงามที่เขาทาแต่ที่จัริษยาเราก็ชื่นชมเขามันเป็นมุติตาเอ๊ะทำยังไงเราจะมีบ้างเมื่อก็ศึกษาเรื่องเหล่านั้นแล้วก็มาสร้างคิดสร้างขึ้นเมื่อก็กลายเป็นเราก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องนะั้น ตีนี้มันก็มีอีกแนวหนึ่งคือเราก็อยากได้อย่างที่เขาได้นะครับเลยก็มีลักษณะแข่งดีคือทำแข่งนะทำแข่งเจนเจนเจนหมู่บ้านจะสรนแข่งกัรโกลดูมิ่งแข่งกันท้างสัมปินค้าแข่งการอะไรอะไรแข่งแข่งแขงนะฮะพราความว่าเขาเขารวยด้วยอะไรเราก็แข่งเรื่องแบบนั้นนั่นก็เป็นอาการของโลภ ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันไปได้นะแต่บางอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปลูกค้ามีไม่พอที่จะซื้อหาสิ่งเหล่านั้นแลในสุดก็ช่วยชวนกันล่มลงไปเรื่อยๆได้ระในระนาดในนี้งแล้ว ก, ก็ก็คือลักษณะอาการพฤติกรรมของมนุษย์มันก็มีมนตั้งแต่ไหนแต่ ไ, ไรอน่ะ่ะก็อย่างเนี้ยมันก็อาจจะเกิดตัวริษยาอาจจะเกิดเป็นการแข่งดี จะจะเกิดเป็นการศึกษาเอาอย่างเขาก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์บุคคลเหล่านั้นบัณฑิตปร ะ, ท, ะทัศตัก็มีถ้าได้อย่างนั้นท่านก็เกิดไปมองไปมองว่าลาดสการะชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการได้เป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้การเป็นรพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับเป็นคนรวยนะฮะเป็นคนมีความรู้เป็นอะไรมันมันมันเป็นผลมันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุแต่พะเทวทัตท่านก็คิดแบบพระเจ้าชาติตรูกเขียนเพื่อนรวยเราก็ปลน้นเลยปร้นเช็จเลยเพราะฉะนัมันก็ออกมาในรูปที่ว่าอยากเป็นรพระพุทธเจ้าเสยเอง ที่ท่านก็เข้าใจผิดนะฮะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าไม่จะบรนึกจะเป็นก็เป็นได้เปเรื่องของการมาเป็นเพียงเรื่องของบา ร, รมีธรรมเรื่องของการต่อสู้แก้ไขปัญหามาเยะเนี่ยท่านก็ศึกษามานะแต่ท่านก็คิดแบบปฏิวั ต, รติรัฐ บ, บารนั่นนะฮะไม่เข้าตามตจกออกทประตูก็คิดแบบปฏิวัตนะิอ่ะในสุดก็วางแผนจะฆ่ะ จะแย่งตําแหน่งเราพุทธเจ้าอันนี้มานอันนี้มันคิดนะฮะมันเป็นระดับความคิดแต่ว่าก็คิดว่าการทํางานใหญ่อย่างนี้มันก็ต้องมีพวกมีพวกก็ต้องมีเงินนะฮะต้องมีคนแล้วต้องมีอํานาจจึงจะแย่งความเป็นใหญ่ได้เห็นไหมว่าความคิดความคิดมนุษย์ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ทํายังไงจึงจะเปลีย่ยเฉลี่ยผลประโยชน์เหล่านี้แล้วก็ช่วยกัน ก็คิดว่าต้องไปหาคนเลยเป็นพวกาคนที่เป็นพวกมันก็มองไปที่ราชกุมารที่ยังหนุ่มยังเยาวนะฮะบอกแกความคิดก็คืออาชาติศัตรูศัตรูนั้นไม่เคยภาษีภาษาอะไรนะฮะไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่การการจะทําให้เขายอมรับเนี่ยมันก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์ตอนนั้นท่านยังมีอภิ ญ, ญัยอยู่แต่ยังไม่เสื่อมอภินัยยังไม่เสื่อมก็เป็นเรื่องขนาดคิดได้เห็น แต่ก็ลดอิทธิฤทธิลงไปเยอะแล้วนะฮะเขาก็แปลงกายเป็นม น, นุษย์หนุ่มคล้ายๆก็เป็สิวะตัวแบบภสิวะมันก็พื้นฐานเขานะัมีงูเป็นสังวานแบบะสิวะของของปราบเข้าไปไปถึงก็นั่งตากราชกุมารนลยมันก็ตกใจแต่เสร็จแล้วก็แสดงตัวเองขึ้นมาก็พยายามชี้แจงอธิบายนมน้าเจตใจราชกุมารให้ เห็นตามคล้อยตามไรกุมารที่จริงไม่ได้มีความคิดนะฮะก็อาศัยการไปคบหาสมาคมของคนไม่ดีก็ถูกล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆล่อโดยความเป็นใหญ่คู่ ด, ด้วยความตายนะล่อโดยผลประโยชน์ทั้งหลายก็เป็นวิธีเนี่ยก็ใช้อะไรก็คนมาองก็ใช้กันเนี่ยก็ขู่ให้กลัวหรือล่อโดยผลประโยชน์ถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่านกัน ถ้าทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นงนั้นองนนแล้วถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็จะตายแต่ก่อนเห็นไหมเอาเอาเอ า, เอาชีวิตมาขู่เอาทรัพย์สมบัติมาล่ออำนาจมาล่อแต่ในขณะเดียวกันเอาอิทธิฤทธิ์ไปคู่อีกทีหนึง่งก็โดนกระนาบหลายๆหลายๆอย่างนนในสุดคนที่มีอัจฉริยสัยดีงามก็ไปคล้อยตากในสุดก็ตกลงนะว่าให้ พระชาติรุกค่าพระเจ้ า, า, าพาิมพ์ิสารแต่เป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วท่านเองก็จะเป็นพระเจา้าตรงเนี้ยท่านประกาศจะประกาศออกมาจากปากพระเจา้าพอประกาศปั๊บชาดมันก็เสื่อมมันก็ออกมาโดยฤทธิ์ไม่ได้ทัางวันที่มันได้ก็ต้องเดินกลับมาแบบพระธรรมดาก็แต่งผมยืนวนอยู่ก็เืิดมาแล้ลองนึกดูนะฮะปฏิวทัตอาลวาดอยู่ได้ตั้งหลายปี อะไรว่าจะได้ตั้งหลายทีใครไม่ไปทำอะไรแต่ก็ปล่อยไปไอ้ น, นี่อ้ น, นี่เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีอย่างเนี้ยในแง่ของธรรมะปฏิบัตินะ่ะแต่ในแง่ของสังคมออกจะปวดนิดหน่อยคือคนอินเดียโดยพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานในการการมองในแง่กรรมแง่ผลของกรรมเนี่ยสูง หรือถ้ใครไปทําผิดอะไรแล้วก็เขาไม่เห็นด้วยนะฮะเอาเป็นกายกระฐานนี่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอินเดียก็มั่วนะดูะเราก็รู้อแต่เขาบอกนี้่เป็นเรื่องของกรรมก็ปล่อยก็ไปจากความคิดจุดนี้แล้วก็เททับก็เริ่มเสื่อมมาเรื่อยๆนะแต่ตรงนี้ชาดกนี้ก็ประรบเฉพาะจุดนี้นะ จุดที่ท่านเปล่งวาจาปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระธรรมปฏิเสธพระสงฆ์ปฏิเสธการเป็นศาสดาการเป็นอุปชาการเป็นอาจารย์การเกี่ยวข้องระหว่างท่านกับพระพุทธเจ้าผู้แง่ปฏิเสธพระรัตนตรัยก็การเป็นพระมันเป็นด้วยประกาศถึงพระรัตนตรัยเมื่อปฏิเสธพระรัตนตรัยที่จริงมันก็จบแล้วนะควาเป็นพระเองก็หมด ควาเป็นเจ้าพูดเราก็เหมือนกันเราเชื่อมโดยการประกาศถึงพระราชนัดร้รมรรคปฏิเสธมันก็จบกันพิสูน์ทั้งหลายมาประลบเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตก็เป็นเขาอย่างนั้นนี่ยก็ไม่ได้เป็นเฉพชาตินี้หรอกชาติก่อนเทวทัตก็เคยปฏิเสธเราแล้วก็ประสบความเสื่อมมาแล้วเช่นเดียวกับที่เกิด ตรงนี้ท่านท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะกัโทษะที่ชัดหมายความว่ากามฉันกับพยาบาทที่ส ง, งบเนี่ยกามฉันกับพยาบาทที่ส ง, งบด้วยอำนาจของสมาธิหรือด้วยอำนาจของฌานแต่ของพระเทวทาษนี่ ส, สงบด้วยฌานนะลึกกว่าสมาธิพวกนี้เกิดก็สแสดงฌานก็เสือ่อมเว้นฌานเสือ่อมอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะว่าพอร้อนเกิดไอยเย็นมันก็เสือ่อม เย็นเกิดร้อนก็เสือมเรากเย็นคลุมพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดนะฮ ะ, ร, ะร้อนแทรกมาไม่ได้จริงมันก็ไปกัวโลกกันเองที่อื่นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นจุดนี้เราเห็นสภาพจิตเห็นสภาพจิตว่าจิตที่มันมีธรรมะเนี่ยถ้าเราเป็นสามัญชน เขาเรียกว่ากำเริบได้อยู่เรื่อยเรื่องกระแทกขนาดนี้ไม่กำเริบจริงแต่อย่าวางใจมันมีแรงอะไรที่อาจจะกำเริบได้เพรา ะ, ะ น, นสามัญชนเราตราบใดที่ยังไม่บรรลุโสดาเนี่ยอย่าวางใจว่าเก่งแล้วนะไม่มีใครเก่งจริงออกเพียงแต่ว่าไม่เจอดีแต่นั้นเองไม่เจอดีเข้ามาไปเจอดีก็ไม่แน่แล้ว ก็ทำให้เรารู้สึกเราต้องระมัดระวังเพราะคนขนาดพระเทวทัตยังเสื่อมได้นะไส่ชานได้ปัญญาสามารถหอเหินเดินอากาศได้หอเหินเดินอากาศเป็นเรื่องกรสินนะฮะเป็นเป็นเรื่องกรรมฐานรายละเอียดอีกเยอะแล้วก็เสื่อมเพราะว่าแรงกับแทกที่เกิดจากข้างนอกที่เมืองไิลิปปินนะฮะ แต่ยังว่ามันมั น, ม, นมันก็กรอดมาเรื่อยๆกัดกรอมาเรื่อยกๆกระแทกบ่อยๆถูกกระตุ้นระตกลงในความโลภมันก็เกิดขึ้นเต็มที่แล้วก็ออกจากมั่นใจนะฮะว่าตัวเองคงจะทำได้นี่แสดงว่าหลงก็เกิดขึ้นแยกกันทำให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าประทับประส์พทธเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าในอนดีตกาล ในบ้านเมืองในกรุงพาราณสีมีทุกพิกภัยเกิดขึ้นแล้วบุตรของปุโรหิตในเมืองนั้นน่สมัยโบราณเวลาก็เกิดโรคระบาดนะฮะโรคระบาดเนี่ยเขาเขาแปลกเขาเหมือนกันนะก็ทำลายฝาเรือนเขาไม่ได้ออกทางประตูทำลายฝาเรือนด้านหลังแล้วก็หนีออก เราเราพบเยอะเลยในกำพิเศษศาสนาแสดงว่ามีวิธีปฏิบัติที่แปลกก็เมืองไทยเราคิดว่าพวกนี้เป็นตัวนะใกล้ๆก็เป็นผีเป็นผีมาอาลวาดมาสิงสู่มาเอาชีวิตคนอะไรเราก็เชื่อมาตั้งนานเพิ่งเพิ่งหายไปไม่เท่าไหร่ตัวหายแล้วแต่ยังไม่รู้ต่างจังหวัดพระโรคระบาดบางมันลดลงไปเยอะ ก็โดยคิดว่าจะไปศึกษาที่จริงแกจบสาเพศแล้วนะฮะเป็นลูกพรามจบสาเพศจบวปทยาศาสตร์แล้วก็คิดว่าจะไปศึกษาศิลปะวิทยาเพิ่มเติมแล้วก็ประกอบอาชีพาอาชีพประกอบใเมืองนั้นก็เดินไปถึงหมู่บ้านจันทานแห่งหนึ่งจันทานก็คือคนวันณะที่เรียกว่าไม่มีวันนานะจันทานเนี่ย เป็นการแต่งงานคร่อมบรรณะคือข้ามบรรณะหมายความคนบรรณะต่ำกับคนบรรณะต่ำแต่คนเราบรรณะมาแต่งกันเช่นว่าพวกแพทย์กับพวกสูตรมาแต่งงานกันเนี่ยก็กลายเป็นจันทันโอ้โไม่แต่งงานอะไรนะแล้วก็พวกจันทังจันทังก็แต่งงานก็มีลูกเป็นจันทังก็แสดงว่ามาจากสองพวกพวกหนึ่งก็เป็นพวกผสมผสมบรรณะ แล้วก็พวกหนึ่งก็คือวันณะเดียวกันนั่นเองก็เป็นจันดานแต่ว่าเขาไม่ได้จัดเป็นวันณะสมัยนั้นนะสมัยไหนๆสมัยทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่จัดเป็นวันณะแต่เยวก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะทุกวันเนี่ยประเทศอินเดียนี่มีมีหลายล้านหลายสิบล้านเนะเออจันทานวราจันทานคนเนี้ยจันทานคนเนี้ยเป็นชาวสวนแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะ เราสังเกตนะฮะว่าชาตินี้เกิดทางกันเยอะเลยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นวรณาจันทานมานพก็ไปเห็นกิริยาที่ท่านแปลกคือท่านเดินไปหากินเนี่ยไปถึงก็ยืนใกล้ต้นมะม่วงเพ่งต้นมะม่วงแล้วน้ําวักจากขันน้ํามาซัตดกับไปที่ต้นมะม่วงรายมลกุศลก็ไปมะม่วงก็แตกดอกแตกลูกรวดเร็วนะฮะแล้วกลายเป็นผลมะม่วงสุก ก็เก็บไปขายก็ทํามากินนะเนี้ยเสกต้นมะม่วงออกลูกมะม่วงแล้วก็มาขายมะม่วงมันก็ขายได้ตลอดมีระดูไม่มีระดูท่านเสกขายได้ตลอดก็เป็นอาชีพมโษย์ปไปยืนดูก็เห็นว่าวิชานี้เข้าวี่วิชาที่แกเรียนยังไงมันก็เสกมะม่วงเป็นลูกไม่ได้ก็เคยมาเสกที่ที่โรงเรียนวัดบอสเนี่ยพรงอินเดีย นี่พระเขาไปดูกันแต่มาไม่ได้ไปดูกันนะก็ไปดูมึงก็ก็ะทำได้จริงๆนะฮะเป็นแบบก็ว่ากล น, นะะ่ะเป็นมาจากกลต้นว ง, ง, ง, งเล็กนเดียวเดี๋ยวก็แตกเอามาเป็นลูกก่อนพุทธเจ้าท่านก็เคยทําำนะฮะเคยทาตอนยมกปฏิหารที่เคยเล่าปัปจากมเมล็ดนะฮะเป็นต้นมะม่วงแตกกิ่งมาห้ากิ่งในระยะช่วงขนาด แล้วก็เป็นเป็นต้นไม้ที่ทรงแสดงยงมกปฏิหารเพราะว่าต้นมะม่วงพวกอันญ่าเดถีจ้างฟันทําลายหมดเลยครูปุจ้าจะแสดงปฏิหารที่ต้นมะม่วงแต่คงจะไม่เป็นถาวร น, นะคงจะไม่เป็นถาวรนะคงจะเป็นด้วยอิทธิฤทธิระยะหนึ่งแล้วก็ไฟกระสินเนี่ยฮะเราเห็นเป็นไฟที่จริงมันมั น, ม, นมันไม่ร้อนนะนะมันไม่ร้อนนอกจากเขาต้องการให้ร้อน คนทำกะสินก็ตงการให้ร้อนมาก็ร้อนแต่เราเห็นเป็นไฟมานกคนนี้ก็คิดว่าถ้าเราได้วิชานี้ก็สามารถประกอบใช้ไปเครื่องมือประกอบเทียงชีพอาชีพได้ก็ลองสังเกตว่าเขาเดินทางไปไหนก็เห็นบ้านข้าวบ้านก็จำหมายบ้านไว้นะฮะแต่ไม่เข้าไปหาท่าน พระพุทธศาสตร์เราเข้าไปหาทางพัญญาอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งเห็นไหมว่ามนุษย์ได้ใช้วิธีการวิธีการนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะวิธีการหนึ่งที่เราเข้าหาเราเป้ามันอยู่อีกแห่งหนึ่งนะฮะจริงวิธีเข้าหาเราอาจจะเข้าไปทางลูกเขาอาจจะเข้าไปทางเมียเขาอาจจะเข้าไปทางพ่อแม่เขา อาจจะเข้าไปทางพี่น้องเขาอะไรแต่ไหคือว่าออดูซิว่าคนเนี่ยเขารักเขาเกรงอกเกรงใจใครมากเราก็ต้องการผลประโยช น, น์จากคนนี้แต่เราไม่เข้าหาก็โดยตรงแต่ไปเข้าหาอีกคนหนึ่งเป็นวิธีอะไรเราอจจะเรียกเรียกว่าเยกเ ย, กเยกบยาบาเก็บส้มในวงการเมืองใช้เยอะนะฮะเรื่นี้ใช้ยอยู่เยอะ ว่าพฤติกรรมทั้งหลายแต่เราศึกษาประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆให้ดีแล้วจะเห็นปับ๊บอ๋ออันนี้มันเรื่องนั้นก็าทำ่านั้นคือคื อ, ค, อคือโยมกลับได้ทั้งหมดเลยที่ใครที่เล่นละคร อ, อะไรแต่อะไอยู่เราจโยมกลับเขาเรื่อ ง, งต่างๆ น, น, นั้นอ๋ออันนี้เขาทำทำไมนั้นเป็นโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้เรียกไม่เหมือนกันแต่ ว, ว่าเจตนานะเราจะเห็นว่าเจตนาลมแล้วเหมือนกันคือต้องการ ผลได้ผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการคนนั้นก็เลยกลายเป็นเป็นขอนรองเหยียบเป็นบ่ายเพื่อนเหยียบเพื่อจะเก็บส้มต่นนั้นเองนะฮะไ ม, ไ, มไม่ได้อะไรอ่ะอย่าบางทีไปเล่นกับเด็กนะไปข้าไปทางลูกเขาที่จริงก็ไม่ได้รักเด็กอะไรแล้วมันก็แสดงมายาวไปเพื่อจะให้เป็นที่สนใจของพ่อแม่หรือปุยญาตายายเขาก็แล้ว ทีนี้พันยาของพระโทธิสัตว์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงใจดีใจอ่อนนะฮะเอ็นนี่ก็ปฏิบัติวัดถังเมื่อตอนต้นเนี่ยไม่ไม่ไหนอ่ะไ ม, ไม่ไม่แสดงอะไรเลยว่าจะมาขอเรียนมน์ก็แสดงความเคารพว่าถือประจบประแจงนะฮะนวดฟันอะไรสารพัดเลยปาดกวาดขยะให้รูแลให้รับใช้สารพัดนะเป็นพรามมารับใช้จันทานเนี่ยไม่จะเรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่มากๆเลย ในพระโพธิสัตว์น่ยท่านท่านดูออกถ้ามาถึงตั้นก็บอกพัญญาว่าผู้ชายคนเนี้ยมันมาประจบเพื่อจะเรียนมนต์แต่คนอย่างเนี้ยรักษามนต์ไว้ไม่ได้จะเสือ่อมและจะเป็นอันตรายแกตัวเองพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือแกพยายามประจบเต็มที่มันมันเตียงมันหักกันนะฮะเตียงมันหักไม่มีไม้จะมารองขาเตียง แกวขาแกเนะี่ยเป็นขาเตียงให้พระโพธิสัตว์นอนคืนหนึ่งนะเลยเป็นขนาดนั้นนะนะเหมือนกับจีนดีกว่าใช้วิธีคุกเขา่าคุกเข่าตลอดเวลาอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นวิธีอย่างหนีง้งเพื่อให้เขาเห็นใจพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์แท้ก็ยังไม่ยอมให้มาอยู่มาจนพระโพธิปัญญาพระโพธิสัตว์มีคันไม่ใช่ ก็คือคโอดโลกกันนะก็ไปดูแลเอาใจใส่ลูกเขารับใช้สารพัดนะพันยาก็ต้องพูดบ่อยๆกรองแต้มีบ่อยๆแต้มีตั้งทั้งที่รู้แสน ร, รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนเรื่องมันจะจบลงตรงไหนแต่ก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยเจตนาจะไม่ดียังไงที่ยิ่มันก็เป็นประโยชน์เขาอนะะแกพระโพษิสัตว์ตัสัตว์ทัางก็สำนึกคุณ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัญญาเองก็รำนึกคุณเขาอะบอกก็บอกอะ น, นะแต่ว่าก่อนจะบอกท่านก็บอกว่าโมนเนี้ยนะเรียนไปแล้วจะใช้ใเกิดผลเนี่ยจะต้องมีความเคารพนับถือในครูบาอาจารย์อันนี้คือสูตรในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดโดยเฉพาะพวก ด, น, ด, น, ดนตรีโบราณนั่นนะะไอเรื่องครูอาจารย์เนี่ยเล่นไม่ได้เลยไปแตะไม่ได้เลย ทำไม่เคารพครูบาอาจารย์อะจะเสื่อมมันต้องเ ว, งวิ้งวายเหนือเกล้าเกเาทีเดียวเลยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราต้องให้ความเคารพครูก็คือครูนะอันนี้ก็ตกลงหมดอะ่ะตอนนี้มารับปากท้งนั้นเนี่ยนะไปจะเอาพราะบระวัติศาสต์ก็บอกให้สาธยายครองแคล่วฝึกปลือให้จนสามารถทำได้ลาอจ ราจารย์ไปเพื่อจะใช้อาชีพเสกมะม่วงไงนะครับตกลงว่าเมื่อกลับไปในเมืองแกก็ไปเสกต้นมะม่วงแล้วไปขายนายอุทยานบานอุทยานบานก็ทำไปถวายพระราชาบาลีอุสาแปลวมะม่วงถวายวนะ่าอย่างนึกขับไม่ก็เรียกถวายหรือเปล่านะ บาลียังแปลว่ามันมงถวายนะคือคือว่ามันก็แปลแบบคนไทยอะ่ะภาษาบาลีเยอะไอ้ศัพท์เฉพาะอย่างเงี้ยเราแปลไม่ออกเพราะว่าต้นไม้บางอย่างเนี่ยเมืองเรามันไม่มีฮะเราก็แปลไม่ออกเราแปลามาตั้งแต่สมัยโบ ร, ราณเช่นญาคาที่พระพุทธเจ้ารับจะสุติญาติเนี่ยเราก็แปลว่ า, า, าญาติาต่ญาคาเนืกดูมันคันนะครไปนั่งมันคันนะพระเจ้าคงไม่เอาญาคิขามันนั่ ง, งนะแต่เราก็ไม่รู้จะเอาญาติอะไมาแปล เราไม่เคยไปอินเดียไม่เคยเห็นญ้ามันเราก็แปลต่อๆกันมาอย่างงั้นนะแปลว่ายากหายแล้วก็คนพบว่าจริงๆมันไม่ใช่ยากหายที่เราแยกกูสะนั่นแหละก็เรียกกูสะที่เราแปลว่ายากขายจริงมันยากกูสะเป็นทับสะกันเป็นย้าใบาใหญ่ๆแก็นิ่มๆแล้วก็หอมนะมีกลิ่นหรือแม้แต่อะไรลัตธิวันที่เราแปลวสวนตานุ่มนะฮะ อธิวันนีแปลว่สวนตันออกมปรากฏว่าทุกทุกวันเนี่ยไม่ใช่อ่ะไปศึกษาทางเรื่องท้องถิ่นเขาบริเวณเขานลฮะแล้วก็ภาษาเขาปรากฏว่เาเป็นไม้ไผ่ที่มันตันน ะ, ะที่แขกอินเดียทําเป็นไม้ตะพดตำรวจนะฮะตำรวจถือไม้ตะพดนั้นคือไม้ยัติเรียยัติแปลว่าไม้เท้าที่จริ ม, มาจากลัทธิไม้ไผ่ไม้ไผ่แต่มันตัน มันไม่ได้กลวงอย่างไม่ไผ่นี่ดังนั้นตำรวจอินเดียก็ใช้เป็นไม้ตะพดตีเวลาเกิดเจราจ น, นที่คนทําผิดอันนี้เรากูสาแปลามะม่งถวายอามาอย่างนีคคนกคํามอีกบางคนจะแปลว่าอย่างไงแปลว่ามะม่วงก็แล้วกันแะน่ๆเราถวายเราไม่ถวายเราก็ไม่รู้พระราชาพอได้เห็นมะม่วงนั้นผลมันก็สวยนะฮะผลสวยแล้วก็ติดประไทยในรถ สิปฏายในรถของมะม่วงก็สอบถามว่าไปได้มาจากไหนเมื่อก่อนทำไมไม่เห็นมีในอุทยานบาลท้านก็รับตรงๆไงนะฮะว่าไปซื้อมาจากมังนกคนหนึ่งราชาก็บอกว่าเออถ้าอย่างงั้นต่อไปเธอก็ไปซื้อมาเรื่อยเลยักไม่ต้องเอา ม, มัม่วงในสวนหรอกเพราะในสวนมันแ ม, ม่อร่อยนี่มันอร่อย ก็ไปซื้อมอันด้วยมก็ติดระทศไทยเกิดสวนระทศไทยว่าเอ๊มันไม่ น, นอกระดูทำมันมีมะม่วงได้ก็ซื้อมานานนะนะขายในวังมานานเอาระดูแล้วทําไม น, นี่มันขายมะม่วงได้ทุกวันเลยก็เรียกขอพบเราก็ซักซ้ายไล่เลียงข้าวแกก็คิดหวังไงนะฮะที่จะอวดคิดว่าถ้า พระราชารู้ว่าเรามีเวทมนต์คาถานี่คงจะไม่ต้องเสกมะม่วงคงได้ตำแหน่งราชการแล้วก็บอกว่าเขามีมนต์พิเศษที่สามารถเสกมะม่วงให้ออกลูกออกผลได้ในนอกระดูการพระราชาก็ขอเสกให้ดูนะฮะก็เสกมะม่วงธรรมดาเนี่ยออกมาเป็นลูกแล้วก็กินกันอ ร, อร่อย นี้ต้องการจะให้เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนประชาชาท่ากมุติตาดีนะฮะเห็นคนดีก็ยกย่องต้องการจะให้เป็นที่รับรู้ของคนทั้งหลายประกาศเชิญชว น, ชวนประชาชนมาให้ดูมานบนี่เก่งมากสามารถเตะม่ว ง, งได้ประชาชนดีนะฮะเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนเราเพอเห็นอย่างนี้แล้วมันบางทีนี่อาจจะ จับไว้เป็นของส่วนตัวหรืออาจจะทำลายได้อะไรก็ได้กวจะแข่งบุญแข่งบา ร, รมีพระราชาไม่เตือนมองเห็นว่าเออเป็นคนที่ควรแก่การยกย่องถ้าก็นำมายกย่องอันนี้ก็ทำพิธีเสกเอาให้ร่วงลงมาด้วยนะร่วงหมาคนก็เก็บกินกันอเด็ดอร่อยก็ติดตัติดใจกันตกลงมาตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาก็มอบตำแหน่งให้ แกวานุเป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ในการเสกมะ่วงถวายน ะ, ร, ะรับราชการมาด้วยดีตัพระอาจาก็เกิดส ง, สงสัยขึ้นว่าเอ๊ะมันเรียนมาจากไหนไอวิชาอย่างนี้ไม่เคยรู้เนะี่ยก็เรียกมาสอบถามว่าเธอไปเรียนวิชาอย่างนี้มาจากไหนไม่เคยรู้ข่าวมีวิชาอย่างนี้อยู่ทีนี้ สถานะแก่เป็นพราหมณนะฮะแล้วก็เป็นข้าราชการตอนนี้มันเกิดมานะนะฮะเกิดมานะเกิดอหังการเกิดความเป็นเราขึ้นมาแล้วไอ้อ่อนน้อมเคยกราบขอเคยกราบพวกจันทานขอเรียนบุญเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันไม่ได้มันจมไม่ลงแล้วตอนนี้มันลอยขึ้นมาแล้วเกิดมาคิดว่าถ้าหากว่าเราจะไปบอกไปบอกว่าเรียนมาจากจันทาน ตามที่อาจารย์สั่งไว้วก็คงจะถูกตำหนีตีเตียนจากพวกพราหมณ์ทั้งหลายพ่าลดตัวลงไปเป็นลูกศิษย์คนจันทานไอเรื่องจำปฏิเสธแล้วบนเสื่อมันลืมไปมันลืมไปแล้วนะมันนคนครลาบสก า, าระมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาคนเพราะนั้นถึงจุดนี้แล้วเนี่ยท่านท่า น, านงหลายลองสังเกตว่า มนุษราในที่จริงก็คือวัตถุการก็คือเหยื่อผู้เจ้าใช้กรรมเหยื่อนี่ถูกมากเลยวัตถุการทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหยื่อเป็นอมิตรเนี่ยเป็นเหยื่อที่จะลอกคน ใ, ใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับคนในการใช้คนในการซื้อคนในการให้คนตายก็ได้ให้เงินไปเอาไปยิงคนนั้นอะไรแต่ไรเนี่ยนะเป็นจ้างเป็นมือปูงปืงก็ได้ก็ได้ทั้งหมดนะเลยใช้เป็นเหยื่อหลอก และเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เคยคิดนะบางทีไปฆ่าคนตายเอาเงินแสนแสนนั้นช้กี่วันจริงๆก็ไม่เคยได้จริงไงนะฮะเพราะแนวหล่อนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เรียนกันแสนที่จะเรียนเรียนกันแสนที่จะเรียนว่าอะไรมันเป็นอะไรคนที่ฆ่าคนอื่นก็คือคนที่อยู่เพื่อถูกฆ่านั่นเองแต่แม้ว่าตอนนี้หน้า ม, มืดแล้วมันอยากได้เงินตรง นั่นก็คือที่พระเจ้าทรงสรุปง่ายๆว่าความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความโลภนะฮะความโลภ ก, ก็เหมือนกับความรักเตีๆๆๆต้ยร่ที่ที่เราเรียนในเรื่องอะไรรู้สึกในการที่อกความรักมันโรคาราบันดตายมืดมนไม่ยินและไม่ ย, ยุนอุปสรรคใดๆนีนๆน่มนก็คือก็คือกิเลสประเภทเดียวกันกิเลสประเภทคว้าก็ามามันจะไม่ได้มองอะไรรอบๆข้าง ไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลโดยความรอบคอบคล้ายๆกับปลากินเหยื่อสัตว์ที่ถูกดักล่อดักวนดักใส่ดักต้นดั ก, ด ก, อ, ดกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีอะไรล่ออยู่ทั้งนั้นนั่นแหะวันสัตว์โลกมันก็ตายเพราะเหยือ่อที่มีการลอ่อมีการล่อด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นพอแกได้ตรงเนี้มันก็ได้ทั้งลาบทั้งยศทั้งชื่อเสียง ใช่ไหมแกก็กลัวชื่อเสียงแกจะเสื่อมลาบกกจะเสื่อมนะยศแกก็จะเสื่อมท่านจะลองนึกถึงอธิปไตยสามนะฮะอธิปไตยสามจะเรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือมติของชาวโลกเป็นใหญ่แล้วก็ธรรมาธิปไตยเนี่ยถือถือธรรมะเป็นใหญ่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าไปให้ความสำคัญเกี่ยนโลกาธิปไตย ให้ความสำคัญแก่มติของสังคมของคนนั้นคนนี้คนก็จะนินทาเอาแต่อะไรที่จริงมันก็ดีกว่าอาตาทิเบไต้หน่อยนะแต่ว่ามันละทิ้งหลักการที่ถูกต้องละทิ้งสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมระธิเไตยในสังคมเราเนี่ยบางทีมันขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะคือคนที่ยึดถือธรรมะทิเบไตยเนี่ยบางทีก็ถูกมองด้วยคนกลุ่มมากคนกลุ่มหมู่มากๆที่ก็กาะกลุ่มกันได้นะ แล้วก็ถือว่าพวกเขาก็คือพวกถูกต้องมันเป็นประชามาติมันเป็นมวลชนมันเป็นอะไรมหาชนก็นแล้วแต่จะเรียกตรงนี้ก็คืออิทธิพลที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดทําให้คนต้องทําเพื่อรักษาสถานะของเขาแม้จะมีพื้นฐานยังไงก็ตามแต่ว่าคนนี้พื้นฐานไม่ค่อยดีนะพื้นฐานไม่ดีประวพธิสัตว์ท่านเห็นมาแต่ต้นละ แกก็บอกว่าวิชาเนี้ยแกเรียนมาจากสำนักที่สาปามโมกในเมืองตักเซลาบลูโรบลานะฮะลูกศิษย์ทิสาปามโมกมันก็มีชื่อตอนนี้แกก็ลาบยศสรรเสริญนีฮะมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่านี่ไม่ไม่ธรรมดาลูกศิษย์ทิสาปามโมกแต่ว่านั้นคือการปฏิเสธอาจารย์คือการอักตัญญูคือการหลอกลวงคือการตลบตลางคือการไร้สัจจะ การไม่มีคุณธรรมของของสิทธิ์ที่ดีหมดมันก็เสื่อมเสื่อมไป้เสืออเส่อมเนะ่มันไม่รู้อ่ะเ่ะมันเสื่อมไปเสือนะ่อมเนี่ยเราเราไม่รู้อนะ่ะมันคล้ายๆกับคนที่ทำความดีไว้มากทำความดีมาได้แล้วก็ใจิตใจเราในขณะนั้นเราก็ไม่เจออารมณ์อะไรที่กระแทกกระทันหันแรงเราก็ไม่รู้นะว่าเราอย่างเป็นคนดีอยู่หรือเปล่า แต่พอโดนอารมณ์กระแทกเข้ามาเนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าเราเราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้ววัตถุบนมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นแตมันจะเสื่อมเสื่อมก็คือว่าไม่ขลังว่าไม่ได้นะในความขลังของมนุ์เนี่ยสมัยมาก่อนบวชเคยทดลองมาเยอะกันนะนะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆมันก็ขลังจริงนะขลังจริงๆแต่หมายความว่าเราต้องสาธยายเราต้องทำเรื่อยๆ ก็มีมนต์ตั้งหลายมนต์อ่ะหลายหายหลายหายบทเตะมาทดลองตอนก่อนบวชพอเปิลพระก็เลิกไปเองกลัวจะเป็นอาจารย์ขลังแต่เราก็สังเกตว่ามันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันว่ามันก็เป็นพลังจิตที่มันเรื่องโลรัทธาเราก็เชื่ออย่างนั้นน่ยอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นนลยสาธยายไปก็สวดมนต์ว่าไปเรื่อยเวลาทําอะไรมันก็ทําได้อนะทําได้เพราะค่อนข้างขลัง แต่ว่าพอบวชมาเนี่ยพอตัดสินใจว่าจะอยู่นะตัดสินใจว่าจะอยู่มันก็เริกหมดเลยพวกเครื่องรางของขลังเวทมนตรน์คาถาเริ่มหมดเลยเลิกหลังจากบวชแล้วสิบ้าวันเนี่ยนะฮะคือให้ก็หมดเลยแตนะ่ตัดสินใจว่าจะอยู่แล้วอยู่แล้วก็จะศึกษ า, าเฉพาะเรื่องธรรมะก็ไม่อยากยุ่งในเรื่องเหล่านี้จริงๆถ้าไปเล่นทางนั้นก็ค่อนข้างขลังได้นะฮนะก็คงจะนั่ง พุท ธ, ธาพิเศษกันอยู่แต่แทวไหนอะไรก่อนเนี่ยอันนี้มันมันมันมันก็มีส่วนมีส่วนสำหรับระดับหนึ่งแบบเด็กเล่นตุ๊กตาที่ว่ากเพราะฉะน้พอเสือบอเนี่ยพระราชาท่านท่านเกิดอยากโศว์มาม่วงกันมาเลยก็เรียกมานพมาให้ เ, เสกมะม่วงอีก ปรากฏว่ามาโนก็ทาวิธีเหมือนเดิมนะฮะเพรศคาถาแล้วเสื่อมหมดล้วคถาไม่อครั้งไม่มีอะไรประชาชนก็ เ, เกิดสงสัยว่าทําไมจึงเสกไม่ได้วันก่อนมันเสกได้ทําไมวันนี้จึงเสกไม่ได้แกก็บอกว่ามันต้องดูเวลาตัวดูนักขัตตเลิกว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นดวงดาวมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี้นึงจะทําได้ปล่อยน้นเลยกหกต่อ โกหกต่อเนี่เนี่ยคือเราจะเห็นว่าความชั่วเนี่ยพอเริ่มโน่นไปเลยนะเราอาจจะทาชั่วด้วยกายแล้วก็ต่อไปโกหกด้วยวาจาโกหกด้วยวาจาแล้วก็อาจจะไปปทุสลายคนที่จับว่าเราโกหกได้ก็สรุปว่ามันก็ผิดไปได้เรื่อยๆที่ตรงใช้คำว่าความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงเนี่ยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในอย่างอื่นมันจะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นที่ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นประชาชนท่านบอกเออมันผิดท่านะเธอวันก่อนที่เธอทําเนี่ยเธอไม่เห็นดูเลิกดูเลอกอะไรเธอทํำเธอกเสกแล้วก็มาม่วมวอ อ, ออกมาวันนี้ทําไมจะต้องอ้างดาวนาาักขัตฤกษ์อ้างเลิกผานาชีอ้างอะไรต่ออะไรจักรราศีไหนมันเอาให้แน่แต่มันหมายความไปอย่างไรนะ่ประชากระช้วิธีขู่มันก็ แกก็ถึงคราวตัดสินใจว่าสิ่งเ่าเนี้ยทั้งหมดเวเนียมันมันมันเกิดขัดแยง้งมาเริ่มจะกโกหกกันนะเราเห็นว่าถ้าไม่โกหกตรงนิดเดียวแล้วก็จบทุกเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรเลยมันจะเดินไปตามวิถีของมันมันจะเดินไปตามวิถีของมันยันที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนะี่ยเรือที่เราพูดเรื่องงา น, นจิตารรมนาฬิกา คนสมัยใหม่ก็ก็เก่งกันมากฮนะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันมันเป็นเรื่องโดนประชาทชน ค, ค, คือเราก็ลืมเอาแหละนางกินจต่บรรพิกาณนะไม่ว่ากันเพราะว่ามีคนเห็นเยอะนะแต่พระเทวทัตใครประชาทันท่านก็ลูกศิษย์ท่านต่างนั้นที่หามท่านมาไม่มีใครเห็นแล้วพระเจ้าสุ ป, ปัุทะบริวารท่านทั้งนั้นที่ห้อมล้อมดูแลท่านอยู่เนี่ยทําไมปล่อยให้ธรณีสุข ลัทธิกะยากยังไม่มีคนเห็นเลยที่ตีภาษาอังกฤษเนี่ยนั้นถ้ามารนก็ไม่มีคนเห็นนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องหัวค่ําแล้วอยู่ในป่าด้วยเพราะงันตรงตรงนี้ถ้าเราประชาธินัเราต้องนึกว่าเอาคนที่ไหนมาประชาธาิรัฐคือต้องมองเฉพาะตรงนี้ด้วยนะแล้วเราก็จะจะมองในแง่อื่นๆนะแง่อื่น อย่างวันก่อนก็มีมีคนคุ้นกันนะเป็นเป็นเป็นเป็นอิสลามเป็นฮะยี น, ะนั่งคุยกันมาคุยกันคุยกันว่าเล่าอะไรอะไรเรื่อยนะฮะแล้วแกก็เล่าว่าถึงวันพิพากษาโลกนะท่านวันพิพากษาโลกเนี่ยทรัพชีวิตเนี่ยจะลุกขึ้นมาจากหลุมหมดแล้วมาประชุมมาตรงเนี้ยพระเจ้าก็จะพิพากษาให้ไปอยู่กับพระองค์ให้ตกนรกนะฮะตามตรงควรแ ก, ก่กรรมแล้วมาตั้งปัญหาถามประเด็นเดียวนี่ ถามว่าตรงนี้ยเนื้อที่มันกี่ไร่เกแกก็บอกอ่ะคือสรุปไม่ไม่ถึงพันไร่อ่ะนะแล้วถามว่าคนที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยมีเนื้อหนังอย่างงี้ยไหมแกก็บอกมาอย่างเงี้ยบอกคยมต้องนึกนะว่าคนตายไปจากโลกนี้กี่พันล้านแล้วแล้วสมมุติเราลุกขึ้นพลบมาเต็มเลยมันเต็มหมดมันไม่ต้องเดินนะเหยียบกันตายเลยจะมาตัวเนี้ยเหยียบกันตายก่อนแล้วไม่ทันพิพากษษาหรอก อันนี้คือคือหมายความว่าเราก็ต้องคิดจะมีเหตุผลนี่ยแกก็นั่งงงอะนะเพราะแกไม่เคยคิดประเด็นเนี่ยแกไม่เคยคิดเลยเพรา ะ, ะการมองการการมองปัญหาจึงจึงไม่ได้มองเฉพาะจุดนั้นว่ามันต้องมีความต่อเนื่องจากนั้นด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่โกหกปัญหามันมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าเศษมั่ง้ว ม, ม, มันคงเกิด ต้อเกิดเหมือนเดิมแกก็มั่งคั่งร่ำรวยไปเหมือนเดิมจุดนี้เดียวปโกหกแล้วจบเลยคลายคาการทำมาของพระพุทธเจ้าที่เคยยกตัวอย่างว่าเราเราพูดประมาณคือกิเลสเท่านั้นเองเอาพอถึงมานที่อื่นอันนี้ไม่ใช่กิเลสหมายความยังไงพระพุทธเจ้าแสดงมานตั้งห้าเลยเรามาพูดตัวหนึ่งมันไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าห้าก็ห้านี่คืออย่าไปโกหกอย่าไปบิดเบือนแล้วสิ่งน่าลายมันจะไปตาม ตามหลักเกณฑ์ของมันเองไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปวุ่นเนี่ยนะเพราะนพอเริ่มในโกหกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าใชา้คำว่าคนโกหกเนี่ยไม่ทําบาปไม่เมียมันทําบาปอย่างอื่นได้ตลอดเลยเพราะเริ่มจากโกหกไปแล้วจริงๆเริ่มจากไหนก็ได้นะตรงนี้มันเริ่มจะโกหกในสุดแกก็ต้องสารภาพขอโทษบอกว่าที่ข้าพระองค์กราบทูลเนี่ย ว่าเรียนมาจากที่สาปรปัมกนั้นที่จริงไม่จริงแต่ว่าพราะละอายในฐานะที่เป็นคนวันณะพรามไปศึกษามาจากสำนักของอาจารย์ที่เป็นจันทานอาจารย์ที่เป็นจันทานนั้นได้สอนเว็มนให้แก่ข้าบรงโดยธรรมแล้วข้าบรงก็เรียนโดยธรรมอันนี้สำคัญนะหมายความว่าทุกคนเนี่ยตรงนั้นขนาดนั้นเนี่ย ขณะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมาน์เองก็เจตนาที่จะได้เวทมนต์พระโพธิสัตว์เองก็ให้มนด้วยความสงสารด้วยความเมตตาตกลงมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยปฏิบัติธรรมแต่ว่าแกมาถืปว่าแต่ว่าข้าโรงมาปฏิเสธอาจารย์โดยธรรมของข้าโรงคเพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิตีเตียนที่ไปเรียนมาจากกันทา ประชาชนพอได้ยินเขากริ้วไม่พอคนไทยท่านพูดคมเลยนะฮะท่านให้ก็สังเกตตรงมกคนสมัก่อนมันก็ไม่เบาไอ้น ะ, ะท่านบอกว่าคนเราไอ้นะเราต้องการน้ําหวานแล้วเราเข้าไปป่าเพื่อจะหาน้ําหวานจะต้นไม้เออน้ำหวานจะต้นไม้ใดก็ตามนะฮะต้นไม้นั้นคือยอดของต้นไม้ที่มันให้น้ําหวานแกเรา คือสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เพราะคนเราก็เหมือนกันเราได้อะไรจากใครเขาจะเป็นใครในไม่สําคันะ่ะแต่ว่าเขาให้เรานะเราได้จากเขาคนนั้นจะเป็นกรรษัตริย์ก็ตามพระมก็ตามแพรก็ตามถูกก็ตามจะทางก็ตามล้องเรียงไว้หมดเลยนะฮะคนนั้นก็คือยอดคน เป็นครูเป็นอาจารย์ก็รับแต่นี้เธอได้ดีทั้งหมดปรจากอาจารย์แล้วก็มาประฏิเสธอาจารย์ด้วยเหตุเพรา ะ, ะท่านเป็นจันทานท่า น, นั่นเองเพราะนันคนอย่งเธอที่เป็นคนอักตันจูมันหาทางเจริญไม่ได้แล้วก็รับสั่งให้อมาตเนี่ยไปลมโทษลงโทษ ก, ก็ไม่ค่อยแรงไงนะฮะเพราะว่า สํานวนอะไรสํานวนที่พระเจาต่างชายเหมือนเหมือนพทอดไม้ที่ด้านหนึ่งติดไฟด้านหนึ่งติดอุจจาระนะคือจับด้านติดไฟก็ร้อนจับจับด้านติดอุจจาระก็เพื่อนนะนะไปยุ่งเราหมอมมาก็บอกว่าคุณกลับกลับไปไปขอเข้ามาโทษอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ให้โทษจึงหันหน้ากลับมาเมืองนี้ถ้าไม่ยกโทษให้ก็อย่าหันหน้ากลับ ให้หันหลังให้เหมืองนี้ตลอดไปแม้ความวาอยาจะกลับไมก็ไล่ออกไปจากเมืองตรงนี้ท่านท่านจะเห็นว่าเป็นความสำนึกที่ให้ความสำคัญเกตทุกสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อเราไม่เบาเลยนะฮะคิดอย่างนี้อย่างที่เคยเคยยกตัวอย่างไว้เมื่อวันกัตันอยู่ โบราณเนี่ยท่านเน้นที่กัตตัญญูนี่มาแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งอย่างอามายังเป็นหนี้ท่านอย่างยังไม่ได้เขียนหนังสือให้นะ่ะท่านตายไปแล้วนายแพทย์เกิดท่านอาชาตไม่รู้จักกันนะฟังอามาออกโทรทัศน์บ้างฟังวิทยุบ้างอ่านหนังสือบ้างแล้วก็มีหนังสือมาพร้อมด้วยส่งเงินมาถวายว่าให้ท่านจ้าุช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาธิปไตย โดยมีฐานที่กรุณายังไม่ได้ทํานะแต่กำลังจะทํากันนะทําออมตกเล่มนะคือเราเห็นว่าถ้าไม่ไม่จะฐานการุณฐานกัตัญญูฐานกาัตัญญูตัว น, นี้มาใช้ในเป็นเครื่องมือในการอบรมข้าราชการคือให้กับตัญญูเกิดกัตัญญูกัตัญญูต่อใครกัตัญญูต่อแผ่นดินเลยต่อประชาชนเรามองดูอะไรตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่ถนนตั้งแต่มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมา แล้วเราเป็นประชากรนิดเดียดเองในจนํานวนประชากรหกสิบล้านเราก็มีสองล้านกว่ามีโอกาสได้เป็นถึงข้าราชการนะเป็นข้าราชการแต่ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยคือคุนอุปการในสังคมให้แก่เราในขณะที่ลูกคนอื่นเป็นอันมากว่ามีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งรุ่นราวชาเดียวกับเราพอแม่เขาก็เป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยก็เสียภาษีอะไรเรียบร้อยตามสถานะแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเราก็ได้เรียน เขาเพื่อนรุ่นราเขาเด็กเราไม่ได้ทํางานนะเป็นกรรมกรแบกหามอยู่เราก็ได้ทํางานเป็นข้าราชการวันนี้ถ้าเราสํานึกคุณเขาเหล่านี้ยแล้วเมื่อทํางานแล้วก็ตอบแทนบุญคุณบุญคุณเราแผ่นดินในฐานะเป็นข้าแผ่นดินเราแตะตรงไหนเราจะเห็นว่าพวกนั้นมีอุปการคุณเราที่พระเจ้าสอนพระเองก็ให้สํานึกคุณของชาวบ้าน น, นนะครับประจีวิตย์ของพระมันก็อยู่ในชาวบ้าน แต่ชาบ้านไม่เลี้ยงไม่อุปกราระสนับสนุนก็อยู่ไม่ได้นะต้องสอนว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นเขาเราควทําตัวเขาเลี้ยงง่ายจะสร้างปัญหาเพราะงั้นถ้าเราเริ่มที่สํานึกคุณคือกระตันอยู่ได้เนี่ยมันมันมันเดินไปได้ตลอดกรตันอูจึงจึงเป็นรู้รู้อุปกรารคุณรู้สิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นคุณ การกระทําความดีจะมากจะน้อยก็คือก็คือความดีก็คืออุปกราระคุณแล้วเป็นฐานที่ให้เราทําความดีได้ตลอดเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องนึกเนนะเราต้องนึกว่าสิ่งเราเนี้ยที่จริงมันมีบุญคุณกับเราปัก้กร่มร่มเงาต้นไม้มีธาตุนะดินน้ําลงไฟเวลาเนี้ยถึงถึงงเป็นชีวิตเรานะดินน้ําลงไฟเนี่ยเราเบียดเบียนเขาหมดเลยตั้งดินน้ําลงไฟ ปฏิทุสร้ายต่อบุปพการีต่อตัวเองนะฮะเราก็เป็นส่วนประกอบของดินน้ําลงไฟอากาศแล้วเราก็เวรนี้เราก็ปฏิทุสรายดินน้ําลงไฟอากาศซึ่งก็หมายความปฏิทุสรายตัวเรารเวรนี้ก็มีปัญหานั่นคือเนมีข่าวนะโอโซนโลกนี่ก็บางบางลอะมากบา ง, บางลงระยะนี้ตั้งเท่าไหร่ตั้งสามสามตีละสามเซนอะไรเนี่ย ก็ถ้าบางมากๆยุ่งเลยนะฮะโอโซนมันทะลุแล้วก็อะไรอุ่นเจ้าไวโอเลตมันก็ลงมาแล้วก็ยุ่งอยานันเองกขาบอกว่าน้ําแข็งพวโลกมันจะละลายนะฮะละลายน้ํามันจะท่วมเนี่ยแถวสมุทรปราการแต่แต่กรุงเทพก็อาจจะท่วมนะฮะบางปราเทศนี่เข้าไปครึ่งประเทศนะครับไอความมาท่าน้ําแข็งพวโลกละลายนะฮะน้ำก็ไฮโดรสลาพาลงมาท่วมอันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรคือเราปฏิทุสลายปฏิทุสลายธรรามาชาติครับ ขาดความกระตันยูขาดความต้นึกคุณเราธรรมชาติแล้วอยู่กับเขาแต่เราเบียดเบียนเขาสารพัดเลยแต่เขาบอกว่ามันมันคงแรงสืบเนื่องมันน่าจะปูกกองไฟที่ฟิลิปปินส์ระเบิดนะไอ้ น, นั่นก็คือแรงแรงอย่างนึง่ที่ทำให้โอโซนมันบางมันบางมันมันโอโซนมันปะทะแสงราตย์ไว้อะนะแต่แงแสงมก็ลงมาแล้วก็ม่วเขียน จริงพวกนี้ก็มีอุปรกรณ์เราเนี่ยะเห็นไหมเรามองไปมองมาว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอุปรกรณ์มันก็มองแนวเดียวคือการตันอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องขาดความกาตัญอยู่พังทั้งเรื่องเ น, นนฮะทั้งเรื่องเนี่ยคือขาดความกาตันอยู่แล้วในที่สุดเมื่อถูกขับแล้วแกก็ไปหาพระโพธิสัตว์พระพระโพธิสัตว์ตั้นเห็นนะฮะกระเซิงกระเซิงมาเลยนะมอมแอ ม, มมาเลย หมดสงางราศีมันเลยบริษัทท่านก็บอกว่าบอกบอกปัญญานะฮะเพราะว่าจริงๆท่านทานท่านท่านก็เกรงใจปัญญาด้วยแล้วก็รึก ถ, ถึงคุณก็ด้วยแต่ให้หมดไปก็บอกว่าเนี่ยเธอดูถึงคนนี้มันเป็นอาสัตปุรุฉันบอกเธอแล้วว่าแม้จะเรียนมนแม้จะให้มนเนี่ยรักษามนไม่ได้หรอกเพราะพื้นฐานมันอักาตันอยู่เรนนี้ก็คงจะมาขอเรียนมน ก็ไม่ให้หรอกถึงให้มันก็รักษาไม่ได้ต่อไปนะเพราะตัวการทําคันเนี่ยคืออากตันอยู่ถ้ายังไม่ปรับตัวอากตัญอยู่เป็นกตันอยู่ให้ได้แล้วเนี่ยรักษาอะไรไ้ไม่ได้เสร็ในที่สุดก็ไปเข้าหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านท่านท่านพูดค่อนข้างแรงนะฮะคือดุออกค้อนแงแรงท่านบอกว่าฉันบอกเธอตั้งแต่เรียนบนแล้ว ว่าเธอเรียนมนจากใครเนี่ยต้องนับถือคนนั้นคนนั้นก็คือครูบาอาจารย์นะเราจะเห็นว่าพวกเวทมนต์คาถาพวกปลุกเสกอะไรแต่ไ ร, รทั้งหลายเนี่ยฮะพวกขลังขลังทั้งหลายเนี่ยต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ต้องออกชื่อนะออกชื่อครูบาอาจารย์ต้อนะจญมาช่วย <c oughs> จนมาช่วยเบื้องเวทมนต์เหล่านั้นครังจากศีลผิดมาไม่ยว่าพวกขนละครระเบงละครมโนราลิโกนิเกอะไรแต่ไรทุกวันก็เป็นยังไงไม่รู้นะ แต่ว่าส่วนใหญ่อย่างพวกรมสินเนี่ยเ ข, า, ขาค่อยๆความต้องการแ ก, กครูมากแต่ว่าเธอก็ไม่ปฏิบัติตามัม้นคนอย่างเธอนี่นะแกก็ไปขอก็ามาลาโทษอะไรแต่ไรนะทีนี้ขอหลาขอโทษเนี่ยมันต้องขอด้วยใจนะมันต้องขอด้วยใจไม่ใช่ขอโดยต้องการแต่ผลประโยชน์คือใจเราต้องเปลี่ยนด้วย ในในแง่ของวินัยมันมีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทันตะกรรมหรือปรุมัททันก็มีทันวิธีลงพระตั้งเยอะนะห้าหกอย่างที่ลงโทษพระสมไมโบราณเนี่ยทิวัตราชานี่เคยเนะฮะเป็นพ ร, ราชโอรสรัยการที่สามเลยทำอก็ท่านก็กระด้างไอ้เจ้ากระด้างบวีิวตัตราชาดื้ออาจารย์ลงโทษ ตลงธนกรรมไปฟ้องไปฟ้องราชการที่สามในการสามเพราอุปชาลงโทษก็ไปขอกมาอุปชามาบอกอะไรก็บพ่อหรอในการที่สามก็ไล่ตะเพิดกลับมาวัดถึงก็มาขอขมาแต่ใจมันไม่มาไม่ไปอ่ะนะอุปชาใจมันไม่ยอมรับท่านลงไปแช่ในคลองในท่าวัตุเกียนะลงไปแช่น้ําในคลองนะลงไปแช่อย่างเ้ยนะอุปชาก็เฉย รอให้แช่อุปจารแน่ใจนะะแน่ใจว่าใจมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็เรียกขึ้นมาแล้วก็ให้อภัยพราะว่าช่วงตรนี้บางทีเราก็เอ๊ะทาไมทําไมทรมานทําไมทารุณจริงๆท่านรู้นะะท่านรู้ครับท่านว่าใจมันไปไปด้วยหรือเปล่าถ้าใจไม่ไปเนี่ยมันไปขืนไปอภัยง่ายๆเนี่ยไม่ได้มันก็กลายเป็นของเล่นนะฮะกลายเป็นเล่นละครไป อันนีก็ต้องลงโทษกันนานๆนฮะโทษนานๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันน้อยไปแต่แนวแนวกรรมฐานเนียลงโทษเยอะนะฮแนวกรรมฐานเนี่ยลงโทษกันเยอะลงโทษหน้าดูนะเอามาอยู่ต่างจังหวัดก็ลงโทษรู้สิทธิน้าดูกันบางทีงทรู้สิทกลัวลงโทษโดยคนอิดตั้งคืนเนะี่ยพวกก็เข็ดเนี่ยนะะแต่หมายความว่าเราต้องพูดให้สํานึกความผิดแล้ก็เห็นความผิดแล้วก็ลงโทษตัวเองการทำยังไง ยิ่งจะคุ้มกับความผิดเราเราเราไม่สั่งเองนะให้เขาเลือกเอาจะทำอะไรอย่างอย่างสามเณรเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์นะฮะว่าเวลาทำผิดต้องขอให้อาจารย์ลงโทษแต่อาจารย์จะลงยังไงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งให้กวาดขยะให้ถูพื้นให้ขนน้ำอะไรแต่ะหล้าเข้าวน้าก็วาไปฮะแต่ต้องลงโทษมีวิธีทางวินัยเป็นการฝึกปลือคนให้เกิดความรบับผิดชอบ พระบติสัต์ท่านบอกลักษณะไงเธอนั้นเป็นคนอกตัญยูหลอกลวงแล้วก็มุสานะอักตรันยูห อ, อกลวงมุสาเป็นคนที่ไม่ตั้งมั่นในธรรมะคือหมายความทั้งหมดเด็กเป็นคนไม่ตั้งมั่นในธรรมะ แล้วท่านก็บอกเ็เตือนเตือนที่จริงตอนนั้นมาโนก็คิดได้แล้วนะว่าอาจารย์ก็บอกธรรมะให้โดยธรรมแล่ท่านเองก็เรียนโดยธรรมในตอนนั้นเฉพาะช่วงนั้น น, นนะฮะเพราะฉะนันเธอเรียนธรรมะโดยธรรมแล้วก็ไม่รักษาธรรมะไว้โดยธรรมแล้งั้นฉันฉันฉันจะไม่ไม่ไม่สอนนห้เธออีกหรอกแล้วก็ไล่ตะเพืดออกไปบอกว่าใ้กลับไป แต่ก็ไม่ต้องมาอีกนั้นแสดงว่าแน่ใจอนะฮะคือพระโพธิสัตว์ทั้งก็นแน่ใจว่าคนนี้แก้ไขไม่ได้คือคนบางคนแก้ไขไม่ได้จริงๆนะยางอย่างเนี้ยนินสัยแบบพระเทวทัาต์อ่ะแก้ไขไม่ได้เคือคนบางคนนี่เขาไม่เคยผิดเลยนะผิดต้งต้ ง, ตงโกหกเราต้องตองเนี้ยยังไม่รับอ่ะนะ โอ้มันพูดยากจังเนี่ยแต่ว่าก็ต้องปล่อยเขาไปหมายความว่าหน้าที่เราจะอบรมชี้แจงแนะนำอะไรแต่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปไปลดตัวไปไปโกรธไปไปด่าอะไรกับเขาาก็าต้องรักษาความดีเอาไว้มาวมว่าโพธิสัตว์ท่าก็ให้เหตุผลว่าพื้นฐานตัวเนี้ยตัเธอมีปัญหาแต่หมายความว่าถ้าท่านแก้ได้จริงๆนะฮะมันก็กลับได้ คนรอประเภทต้นโคตรปลายตรงมันก็เยอะอย่างที่บอกว่าวิถีชีวิตในโลกเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วมันก็มีอยู่สามกระแสคือแบบพระพุทธเจ้าดีตลอดผู้สว่างมาสว่างไปแบบพระเทวทัตพวกชั่วตลอดคือมืดมามืดไปนะแล้วแบบพวกพระองค์กลิมานนะฮะเราจะเห็นว่ า, าพระองค์กลิมานแบบสว่างมาช่วงหนึ่งนะฮะแล้วมืดไปช่วงหนึ่งแล้วก็มืดมาช่วงหนึ่งแล้วก็สว่างไปช่วงหนึ่ง พระเทวทัพแบบพระองคนะ์ก็กลายเป็นสองแบบไม่ใช่พระองคุริมานะฮะก็กลายเป็นสองแบบชีวิตของท่านท้าซอยเป็นตอนๆเ น, นี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็สว่างมาเพราะเกิดในตะกุลโปรหิตร์ในในสุขมืดไปเพราะไฟโกผาจะมาคมคนเหลวก็กลายเป็นหมาโจรไปต่อมาก็ไปเจอพระพุทธเจ้าก็ทั้งๆที่มือดอยู่เนี่ยฮะมันก็มืดมาเนี่ยพบพระพุทธเจ้าแต่ว่าได้ความแล้วมันเกิดสว่างไปท่านก็บรรลุมาผลเป็นพราน แล้วก็เส้นทางจีวิตก็เลยกลายเป็นเป็นสามกระแสแต่ท่านผู้นี้ก็แสดงว่าเส้นทางแบบปฏิปทาแล้วพร ะ, ะพุทธเจ้าก็มาสรุปในตอนสุดท้ายว่าปฏิปทัศน์เขาก็เป็นอย่างนี้ก็เคยบอกคืนเรามาแล้วอย่างเนี้ยแล้วก็ประสบความพิพาทเพราะการเพราะความอัตตันดุของเขาปราะกาศความทธนคุณของเขาแล้วก็สรุปฉดกแต่ดกมันก็มีคนสามคนนั่นเองไงนะ มีบทบาทสำคัญก็คือพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในชาตินี้จันทานนะฮะอุรุจันท า, านในครั้งนั้นก็มาเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้แล้วก็มโนบคนนั้นที่เด่นที่เด่นมนุนเสกมะม่วงเนี่ยก็คือไปเป็นพระเทวทัตแต่ท่านจะเห็นในจุดหนึ่งว่าในชาตินี้นะฮะโดยฐานะทางตระกูลแล้วพระเทวรัชทัดสูงกว่าพระพุทธเจ้า แต่พระโพธิสัตว์ลักษณะบัณฑิตไม่ทิ้งธรรมหมายความว่าเกิดเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าจิตนี่สูงอยู่ตลอดเกิดเป็นสัตว์เป็นนกแขกเต้าเป็นอะไรแต่อะไรนะฮะแต่จิตมันจะสูงตลอดตัวการสําคัญจึงอยู่ที่จิตนะแต่ว่าชาติะกูล น, นั้นที่จริงก็เป็นเครื่องช่วยแต่ช่วยได้ก็ดีช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะไหวยอย่างไงคนเราจะดีจะเลวก็เพราะการกระทําไม่ใด่ดีเลวก็เพราะชาติะกูลของเขา วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ใยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจะมีได้ท่านสระชาชนทั้งหลายโดยทษ่วการทุกท่านถือ